ตอนนี้มีสปิดดูจิตอยู่แล้วงับอารมณ์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามทําไปตลอดนะครับเห็นที่ถูกก็พยายามทาอยู่คิดว่าไม่มาผิดแต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ทางโลกยังต้องใช้เวลากับความพยายามต่อไปตอนนี้จะดูตัวเองยังเร็วอยู่เยอะครับก็อยากได้ฟังทาสั้นๆจากพระอาจารย์บ้างครับก็เป็นกลังใจเน้นเสือเรือนสั้นๆนะ เวลาทําให้สั้นๆก็คือต้องทํามากๆถ้าทํามากก็จะได้มากจะได้เร็วถ้านําน้อยก็จะได้ได้น้อยได้ช้าเวลวา จ, จะไม่พอต้องรีบเตือนตัวเองว่าเวลาเรามันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบทาเสียตั้งแต่ตอนนี้เดีวเวลาหมดมันจะ ไม่ได้ทำทำไม่ได้อยากจะถามว่าควรจะทำอะไรก็ควรจะเร่งปฏิบัติให้มากที่สุดควรจะลดภารกิจอย่างอื่นให้มันน้อยลงไปเอาเวลามาทำการเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาก็าจะได้มีกำลังหยุดกิเลสตัณหาได้ขอให้ ขอให้พุ่งไปตรงการปฏิบัติความเพียรเพียรมากก็จะได้มากได้เร็วเพียรน้อยก็ได้ช้าได้น้อยอยากไปเสียดายกับเรื่องราวต่างๆภารกิจต่างๆเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจมีแต่จะทวงให้เราต้อง เวียนไหยตายเกิดนานขึ้นไปถ้าอยากจะตัดพบตัดชาติตัดการเวียนไหวาตายเกิดต้องทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แ, แล้วเลอกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เรื่อยๆมันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่ลืม ว่าเวลาเรามีน้อยลงไปทุกวันทุกวันก็จะได้ปฏิบัติมากๆอย่ารอมาบวชเวลาอายุหกสิบเจ็สิบแล้วก็มาบวชมันอาจจะไม่ทํการควรจะตั้งเป้าว่าภายในปีสองปีนี้ต้องบวชให้ไดนะ้ถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะไม่มี มันจะผัดไปเรื่อยๆเราต้องบังครับต้องแก้การผัดวันประกันพุ่งว่าเราต้องกำหนดเวลาสองปีสามปีหรือยังไงก็ว่ากันให้มันมีอะไรกดดันเราั้ยถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้มันก็จะไปเรื่อยๆเฉยๆสบายๆยังติดสุกอยู่ติดสุก ข, ของกิเลสอยู่ แต่ถ้าเราตั้งเป้ามันก็จะทำให้เรา <c oughs> ต้องทำตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้อันนี้เป็นประเด็นสาคัญตั้งเป้าแล้วก็เร่งความเพียรทำความเพียรให้มากแล้วลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นเหมือนไฟลนก้นไฟมันจะคอยลุกลาม เราเข้าไปเรื่อยๆความแก่เข้าขยับเข้ามาเรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ปวยความตายหยับเข้ามาเรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆแล้วมันก็จะได้รีบทำภารกิจที่เราควรจะทำแลวก็ตัดภารกิจที่ไม่ควรจะทำออกไป นี่คือกางเข้าวัดเข้าวัดเพื่อที่จะได้มามาได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราควรจะได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เป็นเครื่องปลุกกำลังใจปลุกศรัทธาปลุกความเพียรดังะะนั้นเราก็จะถูก กิเลสมันหลอกให้เราเพลิดเพลิอยู่กับความสุขทางโลกซึ่งก็เป็นเหมือนกับกับดักสัตว์นีเ่เวลาเขาจะดักสัตว์นี่เขาจะมีเหยื่อล่อพอสัตว์เห็นเหยื่อมันก็จะไปตะคุบเหยื่อแล้วมันก็จะติด ก, กับที่ในท่านเขาวางไว้ความสุขทางโลกนี่ก็เป็นเหมือนเหยื่อ ที่จะดักสัตว์โลกอย่างพวกเราให้ติดอยู่กับการยืนไหวตายเถิดแล้วเราต้องถอยออกจากอย่าไปหลงกับเหยื่อคือความสุขทางโลกนี้ความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายความสุขจากการได้ดืม่มได้รับประทานได้ดูได้ฟังได้สัมผัสกับ สิ่งต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขของของกับของที่เขาใช้เป็นเหยื่อล่อถูกใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเย็ยนว่ายตายเกิด น, นั้นต้องพยายามลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ลองถือศีลแปดกันดูการถือศีลแปนี่เป็นการเลิกเลิกการละการหาความสุขทางตาหูจหมูกร่้นกายเพราะถ้าถือศีลแปกก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้กินอาหารมากเกินไปไม่ได้กินอาหารพออยู่อยากกินเพื่อความสุข ความสุขจากการกินก็เป็นเหมือนกับเยกินเหยื่อปลาที่กินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบบนี้กินแล้วก็จะถูกเบบดเกี่ยวคอต้องกินอยู่เรื่อยถ้าไม่ได้กินแล้วมันทุกแต่ถ้ากินหัดกินแบบพอประมาณกินเพื่อเหยื่อการกินก็จะไม่เป็นไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นกับดัก ถือสีนแปะนี่จะให้กินพอประมาณหลังเที่ยงวันก็พอแล้วกินกินก่อนเที่ยงวันก็พอลหลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องติดนะหรือถ้าจะให้ดีก็กินมื้อเดียวไปเลยอย่างพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะฉันมื้อเดียวไปบินรบาดกลับมาจากบินรบาตก็ฉันเลยฉันเสร็จแล้วก็จบวันนั้น ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในป่าพินน บ, บานนี้โมงเช้าสองโมงเช้าก็เสร็จแล้วงานเสร็จแล้วนี้ก็จะได้มีเวลาได้ปฏิบัติเจริญสติไม่ต้องมาเสียเวลากับการรอรับประทานอาหารมือ้อกลางวันมื้อเย็นกว่าจะได้ปฏิบัติก็ง่วงนอนก็ดี ไ, ได้ปฏิบัติกินมื้อเดียว เมื่อเชา้าตื่นขึ้นมาหิวก็ซัดมันเลยเอาให้อิ่มแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติได้ทั้งวัน <c oughs> ตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกยิ้งกายมะหมะมหะรสบบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังไม่ดูฟังเพลงไม่ร้องรำทำเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆ รงภาพยพยนพยนหหลศกหจรรสติต้องทำกันอย่างเอาจริงเอาจังทำกันแบบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอาทิตย์หนึ่งคนจะได้คนจะมีวันปฏิบัติทำจริงจริงสักวันหนึ่งก็ยังดีเป็นคารวาน เราทำงานวันที่ทำงานปฏิบัติไม่ได้ก็ถือศีลห้าไปก่อนพอวันหยุดทำงานก็ถือศีลแปแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปเดินก็อยู่บ้านรักษาศีลแปลแล้วก็ปฏิบัติทำไปมีเป็นการลดละการแสวงหาความสุขทางโลกที่เหมือนกับการทอบไปกินเหยื่อในกับดักนั่นแหละ ถ้าเราไม่เข้าไปกินเหยะนะื่อในกับดักต่อไปกับนั่นกับดักนั่นก็จะจับเราไม่ได้เราก็จะหลุดออกจากกับดักของวัตจัแห่งการเย็นว่าตายเกิดไม่ต้องไปเกิดเป็นเหมือนสัตว์ถ้าถูกเขจับไปก็ถูกเไปท่าแกงเราก็ถูกวัฏตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทุกข์กับอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันมีใครไม่มีความทุกข์บ้างที่มาเกิดนี่ทุกข์ก็ไม่รู้จักวิธีแก้ทุกข์้เดี๋ยวมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันตามมาเหมือนเป็นเงาตามตัวเราหนีมันยังไงเดี๋ยวมันก็ตามมา เวลามันทุกข์ตรงนี้หนีไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันก็ตามไปตรงนู้นเนี๋ยมาอยู่บ้านหนีจากที่ไหนมามาอยู่บ้านอำเภอเนี้เดี๋ยวมันก็ตามมาเดี๋ยวถ้านีอีกมันก็ตามไปอีกวิธีที่จะตัดความทุกข์ต้องไม่หนีมันต้องเข้าไปหาหาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วไปแก้ที่เหตุ ใช่อยู่ตรงนี้มีเรื่องมีราวมีความทุกข์ก็หนีไปเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่อื่นเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอีกมันก็มีทุกข์อีกต้องแกท้ที่ที่เหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ในใจเรานี่แหละกิเลสตัณหาเนี่เมื่อกีรคุณผู้เนี่ยเข้าวัดเพื่อที่จะมาละกิเลสตัณหา การจะลกิเลสตัณหาก็ต้องถือสินแปดถือสินห้าสินห้าเริ่มต้นก่อนถ้าศินแปดยังไม่ได้ก็ถือสินห้าไปก่อนทำทานไปก่อนกานที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางโลกก็เอาเงินมาทำทานมาละกิเลสด้วยการทำทานกิเลสที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แทนที่จะไปเที่ยวอันนี้ก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญนะทำบุญแล้วก็สบายใจกว่ามีความสุขใจกว่าแล้วก็จะทำให้เรารักษาสี่ห้าได้คนทำบุญได้ก็จะรักษาสี่ห้าได้คนที่ทำบุญไม่ได้ก็จะรักษาสี่ห้าไม่ได้เพราะยังเห็นแก่ตัว ย, ยังอยากได้นู่นได้นี่ยังมีความโลภมาก โรบมากก็รักษาสินยาถ้าโรกน้อยก็รักษาสินง่ายคนทาบุญทาทานนี้จะมีความเมตตามีความปราแนาดีจะทำอะไรนี้จะระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทาบุญนี่จะไม่สนใจอยากจะได้อะไรต้องหามาให้ได้ ใครจะเดือดร้อ น, นี่ไม่ไม่สนใจใชบางทีอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยร้องํำทำเพลงกันตีหนึ่งตีสองก็ไม่สนใจชาข้างบ้านเขาจะคิดยังไงเอาเองขอให้ได้มีความสุขเอฮาปาร์ตี้กันไปแต่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนใจนพวกนี้เป็นคนที่ทำบุญไม่เป็นไม่ชอบทำบุญชอบหาความสุขให้กับตัวเอง ด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นวันนี้จะรักษาศีลไม่เกินรักษาศีลไม่ได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ศีลห้าไม่ได้ศีลแปดก็รักษาไม่ได้เกิดรักษาศีลแปกันบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยรักษาศีลแดกันมั้นับได้กี่ครั้งวะนับได้เป็นครั้งเลย เกิดดมาเนี่ยมันมีตั้ง ก, กี่วันเนี่ยเกิ ด, ดมาปีหนึ่งมีสามรอยหกสิบห้าวันสิบปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบวันสีเนี่ยต้องเกิ ด, ดมาต้องหลายพันวันนี่รักษาสินแปลได้สักกี่วันนั่นแหละเราจะเห็นได้เราจะได้เห็นว่าเวลาที่เราใช้ไปกับการติดอยู่กับกับดักนี่มันอยู่นานแค่ไหน เวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจะบมุนวิ่งกันอย่างเรานี่มาบวชสี่สิบปีเนี่ซื้ือศีลสิบขึ้นไปศีลแปดขึ้นไปเนี่ยเราคูณดูหละยปีก็สาม้อยหกสิบห้าวันสิบปีก็สามพันกว่าสี่สิบปีก็หกพันกว่าหกพันกว่า รักษาทุกวันเลยหกพันกว่าวันเนี่ยพวกเรารักษาได้ไหมสิบแปดเนี่ยลอรักษาดูเสร็จแล้วจะตัดกิเลสไปได้เยอะเลยอยากจะลดกิเลสเนี่ยต้องลดด้วยการปฏิบัติอ่าว่านะถ้าเผื่อยังยังยังไม่ค่อยจะพร้อมนะสิบแปดกนี่คือคือวอ่าแบ่งแบ่งแบ่ง แต่งเป็นข้อๆได้ไหมว่าได้มันก็ได้เป็นครึ่งมันก็ถ้าเหมือนกับทำข้อสอบะมันมีแปดข้อคุณทำสี่ข้อคุณก็ได้แค่ห้าสิบเอร์เซ็นตนั้นก็ได้ซีได้ดีไปถ้าอยากจะได้ดีได้เอก็ต้องทํำให้ครบแปดข้อแต่ว่าเราไม่ได้มายู่ในะก็ไม่ต้องอยู่ที่ไม่ต้องอยู่ที่วัดแต่มันอยู่ที่ใจสีลมันอยู่ที่ตัวเราไปอ้างสังคมเองเรามีอยู่ในสังคมอย่างอย่างยกตัวอย่างนั้น จะเพิ่งผ่านมากระท่านทําสมาธิอย่างดีเลยนะคะออืที่แล้วเนี่ยแล้ววาริตย์นี่คนชวนไปดูหนังหนังดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องคนพบค้นพบคอมวิธีทำของคอมพิวเตอร์ปรากฏว่านั่นก็ดูตอนตอนบ่ายนะคะคืนนั้นก่อนนอนเจ้ า, า, าทุกปรากฏว่าสมาธิพังนะไม่ ไม่สนกกัเลยซึ่งทุกทีก็เป็นได้ดีนี่ท่านที่จริงก็มีส่วนส่วนนะพิสูจน์ได้นะว่าถ้าไปดูหนังดูลิเกดูละครเนี่ยจบเลยจบเลยสมาธิจบเลยหายไปเลยหายไปเลย เพราะจิตเวลาดูมันปรุงแต่งไปจิตมันึคิดจินตนาการไปมันก็ไม่หยุดพอจะมานั่งมันยังจินตนาการอยู่ในใจนั่งสมาธิมันยังโผล่ขึ้นมาอยู่ในใจอันนี้เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยว่าควรจัดรันมันถ้าเผืจะจะแบบแค่ปฏิการปฏิบัติอถ้าอยากจะละกิเลสอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับดักเราต้อง ออกจากความสุขทางโลกอันนี้ถ้าผดไ ม, ม่ไม่พิสูจน์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าทำไมมันจะมาห้ามกันนะใช่ไหมช่อันนี้เห็นชัดๆเลยคนแ้่งปฏิบัติสมาธิด้วยถึงจะเห็นน ะ, ะว่าอ๋อมันมีผลกระทบต่อสมาธิเยออยู่มาก<ๆ>เลยนี่มบอกว่ า, วาต้องเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรักษาสีแปดได้สักกี่วันย่ง มันจะเริ่มรักษาให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันเป็นทางออกของการไปสู่พระนิพพานทางออกจากการเยี่ว่าตายเกิดก็คือการรักษาสิงแปดเนี่ด่านแรกประตูแรกประตูแรกเลยห้านี่แคบแคบเพียงแมนุษย์ห้านี่ยังไม่ออกห้านี่ยังเพลแต่รักษาไม่ให้ตกไปในอบายไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่ให้ไปตกนรก แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใ น, ในพบะและอีกข้อหนึ่งท่อีกข้อหนึ่งะที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนอนนอนนอนบนพูกงหนาหนาเออนอนสบายสบายมันจะนอนมากเกินไปอันนี้ต้องนะก็อลองดูเสียลองถ้าอยากจะนอนน้อยๆลองลองนอนนอนบนพื้นแข็งๆนอนได้เพราะร่างกายมันพักผ่อนพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอน มันเจ็บหลังลุกขึ้นมานี่ง่วงจัดเลยนะเนี่ยนอนต้องง่วงอย่างมหาสารเลยก็เนี่ยมันถ้าร่างกายมันง่วงที่ไหนมันก็นอนได้นอนตรงไหนมันก็นอนได้แล้วพอมันพักพอมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีกิเลสอยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้ามันฟุ้งหนาๆอย่างนี้พอมันร่างกายได้พักตื่นขึ้นมาแล้วมันยังนิ่มยังสบายขอตอยสักรอบนะก็เลยไปสี่สามสี่ชั่วโมง เสียเวลาอันมีค่าไปเวลานี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะได้ปฏิบัติเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวินาทีเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปมันไปแล้วไม่กลับเหมือนแสงเทียนที่เราจุดแต่เมื่อเราต้องเขียนหนังสือแข่งเวลาแข่งกับแสงเทียนที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเรามีนั่งนั่งนั่งเฉยๆไม่เขียนเนี่ยเดี๋ยวเทียนมันก็หมดพอหมดมันก็มืดมันก็มองไม่เห็นมันก็เขียนไม่ได้ เวลาของเราเยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีมันไม่มีต่อเพิ่มอายุเหมือนกับรับราชการเนีเ่ยทงานที่อื่นเขยังเ ข, เขายังให้ต่ออายุได้อายุทํางานต่อได้แต่อายุปฏิบัติมันต่อไม่ได้มันนี้แต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ต้องให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะได้กระตือรือร้น ไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพรุ่งเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําไปได้เดี๋ยววันนี้ไปดูหนังกับเพื่อนทั้งนั้นเกรงใจเพื่อนยแลเห็นมันก็อ้างเพื่อนเกรงใจเพื่อนความจริงตัวมันเน่ยอยากไปถ้ามันไม่อยากไปต่อให้ช่างมาฉุดมันก็ไม่ไปใช่มเพราะเพระนั้นเนี่ยเพิ่มอีกสามตัวเนี่ยนะฮะมันสําคัญมากที่จะจะไปเนี่ยนะว่มันตัด ตัดไอ้ตัดการไปติดอยู่กับความสุขทางโลกซึ่งเป็นเหนื้นเหยื่อที่ดักที่เขาเอาไว้ล่อล่อสัตว์ให้มันติดอยู่ในกับเนี่ยถ้าอยากออกจะอยากจะออกจากกับหรืออยากไม่อยากจะไปติดกับก็ต้องอยากเข้าไปกินเหยื่อนั้นเ <c oughs> นี่ยกรมมามามาสุขเขาเรียกกรรมมาสุขความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายถ้าถูกเลี้ยงมันดีเกินไปนะครานมันก็เป็นอย่างนั้น ไม่หรอกกิเลสมันมีฝังใจเลี้ยงดีไม่ดีมันเหมือนกันทั้งนั้นน่ะขอทานมันก็ชอบหมามันยังชอบเลยเว่าแต่ขอทานมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละหมาอุปนิปนอนที่นอนคนออืใช่เรานอนมีที่นอนดีๆมันเลือกมันรู้จักเลือกเองเนี่ยนี่คือตัวสําคัญคือความสุขทางโลกเนี่ยถ้าเราไม่เห็นโทษอองมาเนี่เราก็จะถูกมันหลอกให้ อยู่กับมันไปแล้วอยู่ไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาหาเป็นใหม่ตายไวก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่รักษาสีหน้าก็กลับมาเกิดเป็นหมาก็หาความสุขแบบมนุษย์เดียนกันหมาก็มีตาหูตาหูจมูกเลื่นกายเหมือนกันมันก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่ท่านพวกเราก็ รักษาไอ้ความเป็นมนุษย์มาก็หลายชาติแล้วนะไม่ไรักษาหรอกไม่ได้หรอกบางทีมันไม่ได้รักษาหรอกมันเพียงแต่ว่าพอมันไม่ใช้บุญพอมันไม่ใช่บุญใช้บาปบดมันกลับมันมันก็ไม่บุญไม่มีแรงดึงไปสวรรค์บาปไม่มีแรงดึงไปมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์นี้พบมนุษย์เป็นพบกลางๆพบที่ว่าบุญหมดบาปหมดบาปหมดแรงที่จะดึงไปอบายมันก็ มาเกิดเป็นมนุษย์บุญหมดแรงที่จะดึงไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อ๋อให้โอกาสให้โอกาสที่จะมาอ่ฝึกใจฝึกตนน้นว่าจะไปไหนดีใช่เนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเหมือนปั๊มน้มนํา ม, มันอะ่ะการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนปั๊มน้ำมันหรือธนาคารก็ได้จะจะไปฝากเงินก็ได้หรือจะไปกู้เงินก็ได้ถ้าฝากเงินก็มีเงินฝากถ้าไปกู้เงินก็มีเงินกู้เป็นหนี้ มีหนี่ก็ต้ังไปใช้หนี่ถ้ามีเงินฝากก็ไปไปเบิกเงินฝากหน้าในอนาคตสอนให้สอนให้ไปสอนให้สือสินแปดไปไปนิพพานถ้าไม่เอาก็ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องถือสิ้นแปดเท่านั้นคนะ่ะคือเริ่มต้นที่สิ้นแปดแยังต้องมีสมาธิมีปัญญาอี ถ้าจะไปแค่สวรรค์เป็นเทวดานี้ก็แค่รักษาศีล5ห้าแล้วก็ทำทานไปก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราทำทำสมาธิจิตจิตนิ่งมีอุเบกขาจริงๆจังๆแล้วแต่ยังแต่ยังยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ไปไปทำอยู่ในศีล8แปดเนี่ย ก็หมายถึงว่าที่เราทําทําไปก็เจ้าไปไปก็ไปดึงไปอะไรไปไม่ถึงสักทีก็ไม่ไปถึงไม่พ่านา<ช>าสักทีแค่สมาธิไม่ถึง ส, สมาธิก็ไปแค่ทรมโลกแต่เป็นพรมโลกที่ต้องเสื่อมเหมือนไปทักโรงแรมห้านดาวแล้วท้องเงินหมดก็ต้องย้ายอาอกแล้วไปย้ายไปอยู่โรงแรมสามดาวสองดาวตามลําดับกําลังของเงินที่เหลืออยู่บุญเป็นเหมือนเงิ น, ยน บุญที่ได้จากสมาธินี่เป็นเป็นโรงแรมระดับ5ดาวส่วนบุญที่ได้จากทำทานรักษาศีลนี่ระดับสองดาวหนึ่งดาวก็เทวโลกแล้วพอหมดบุญหมดเงินจ่ายค่าโรงแรมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำงานหาเงินใหม่มาสร้างบุญใหม่ถ้าสร้างบาปก็ต้องไปใช้กรรมใช้หนี้ไปติดคุกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นสัตวน์นรก ถ้าอยากจะไปเหนือที่เหนือเหนือพรมโลกก็ต้องไปวิปัสสนาต่อได้สมาธิออกมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแ ล, <ส>แล้วก็มีแล้วก็มีเอศีลแปดที่ท่านบอกอันนี้ก็ต้องรักษาตลอดเวลาไงนี่นหมายถึงว่าถ้าห้านี่ไม่ได้ะถ้ามันไปสมาธิมันไปไม่มีแรงไปถึงพรมโลกเอ๋อมันจะมัวไปดูหนังเนี้ยแม่ <c oughs> ก็นี้ก็พูดอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรื่องนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีะจะ ท่านยังต้องไปปรับตบปรับตรงตัวนะเนี่ยนั่น่านไม่บอกเนี่ยว่าประตูมันอยู่ตรงศิลแปดนี่ก็อย่างเออหลงเหลยลอยชายอยู่นั่นแหละเห็นไหมมาฟังเทศน์นี่ได้ประโยชน์นีได้ประโยชน์ต้องขอบคุณคุณโจ๊บเนี่ยไปลากตัวมาอได้การได้ได้ฟังทำก็จะได้ยินในฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ํำก็จะได้เข้าใจดีขึ้นจะทําให้เราคําจัดความสงสัยได้ ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทาให้จิตใจสงบผ่องใสเนี่ยอานิสงส์ของการฟังเท่ฟังธรรมถูกทางอ่งั้นกลับไปรักษาสีแดดได้เริ่มนับดูแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรารักษาสีแดได้สักกี่วันแล้วมันไปเปรียบเทียบกับเรามาแข่งกับเราดูว่าเรารักษาสีแดได้กี่วันเดอยวแล้วใครมาแวใครมาวัดกันว่าเออ เวลาที่เธอหน่อย<ต>นะเวลาเรามองพระแล้วเราดูถูกท่านเนี่ยเราไม่เคยวัดวัดปริมาณของเรากับเขาดูว่าเป็นไงเราไปดูถูกเขาว่าเอ้ยเขาก็แค่นั้นแหละแค่โกน<ช>หัวผม<ช>เขารักษาศีลได้เรารักษาศีลอย่างเขาได้หรือเปล่าแ ต, แต่แต่ไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวเนะรักษาศีลแล้วต้องนั่งสมาธิด้วยนะอะตอต้องต้องปฏิบัติ เข้าใจตรงที่ท่านสอนเออเออจากเรืสมาธิคือเคยว่าฟังหรืออา่านจำได้ที่ท่านถาในคําถ า, ถามมีคนบอกว่าไปเดินเดินสมาธิเดินไปเนี่ยเดสมาธิแ ล, แล้วแล้วแล้วจิตสงบไหมบางคนก็สงบพราะว่าเดินเดินไปเนี่ยท้านเนี่ยจะ าเเเเหมือนนนนับบดดิิ like ุใจมันลอยใจมันเบาก็เลยรู้ส so so ึกว่าร่างกายเบาตามไปด้วยแล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านเกาบอกว่ามีมีหลวงปู่องค์หนึงซึ่งท่านก็ท่านก็เดินจงกรมในป่าเนี่ยแล้วท่านก็ถือตะเกียงแล้วท่านก็ท่านก็ไปเจอเสือครับอาจารบาลกับเสือจ้าเอ๋กับเสือจาเอ๋แล้วท่านท่านก็เลย ยิ่งเร่งเครื่องใหญ่เลยสมาธิของท่านแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยลพเพรามาอีกทีหนึง่งก็เห็นว่าเทียนที่ถ่ายเทียนมันมันไห ม, น ม, นไม้หมดไปแล้วแล้วท่านก็แบบอะีรนนหมายถึงว่าท่านนี่นะพอสมาธิมันเข้าปั๊บตรงนั้นเสือก็อยู่ตรงนี้น ะ, ะท่านก็เลยกลายเป็นขอนไม้ท่านมันนิ่งไปเลยนิ่ง<ม>สงบจิตเป็นสมาธิเออ ปล่อยวางร่างกายจิตเข้าไปข้างในไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล้วจิตมันไปไหนจิตมันหายไปว่นเข้าไปข้างในเอ่ะมันเข้าไปข้างในแล้วเทียบกับคนที่แบบเดินจองกรมแล้วมันรู้สึกว่าเดินมันปุ๋ยนู่นมันเข้าไปไม่หมดมันเข้าไปครึ่งหนึ่งคือคือมันจะเข้าไปหนีอยู่ข้างในเอ่ะออเข้าไปอยู่ตรงไหนฮะเข้าไปในจุดที่เรียกอัปปนาสมาธิไงตรงกลางตัวรู้เข้าไปที่ตัวรู้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเลยไม่ไหนมันต้องอยู่ในจิต ต้องรู้ด้วยสติรู้ด้วยรู้ในตัวเองไม่ไดใครบอกมันเยอะเขาเรียกว่าเข้าไปในที่ตัวรู้หรือหรือแสหรือแต่สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหายไปหมดร่างกายก็หายไปอะไรก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตรงนี้ตรงนี้ยังยงยยงก็ตั้งแต่ท่าแนะนําให้สมาธิอะไนะฮะก็ก็ ทำแล้วมันก็ก็ไม่ทราบว่ามันสงบหรือไม่สงบหรอกแต่ว่ามันมันก็แบบว่าที่บอว่ามือเนมันแข็งก็เป็นมือเท้าเท้าที่เหยียดไปก็ไม่รู้อ่ะมันมีแต่รู้สึกว่านั่งกับมันเริ่มสงบมันเริ่มสงบนะแต่นี้พอนั่งนั่งไปนะมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับสะทานนะคะเหมือนคนเหมือนหนาวหนาวเนี่ยมันขนลุกอ่ะ อันนี้มันเริ่มนะคะมันไม่เข้าเหมือนเข้าไปเหมือนหลมตาที่ที่แบบว่าอันนั้นมันเขมันเข้าเปแบบปกระท h a หันเพราะว่ามีเหตุการบังคับเพราะอะไรจิตใจจิตมันตกใจกลัวมากมาแต่มีสติเดินไว้มันก็เลยมันก็เลยเข้าไปที่มันที่บรรพบริภัยที่สุดเพราะว่าเวลาอย่างธรรมดาเนีอย่างท่านเราพูดอย่งธรรมดาเนี่ยฮะท่านเหตการเดกันที่ว่าเดินโยงกลัวมครับปุ่มอยู่ครั้งหนึ่ง คือเดินจงกรมไปแล้วมันเท้าเบาก่ อ, อ, อแล้วแล้วเรามันไม่รู้สึกตัวลักปีจิจตที่รู้อืเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยเสร็จแล้วมีเสียงของจิตที่บอกมาว่าทางในโลกนี้ไม่ว่าทางแม้หกผิวหรือว่าเป็นทะเลก็ยังมีทางเดินเสมอหมายถึงว่าพบชาติไม่มีทางจะจบแต่บนทางเดินจงกรมเนี่ยมันมีทางจบเสร็จแล้วมันมีแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเสร็จต้นมงต้นไม้ก็ค่อยล้มลงไปอืแล้วก็พื้นดินกะแตกแตกแล้วก็ มันก็จบแตะนะครับอืมจนเหลือแต่ความว่างแล้วเกิดดวงสว่างขึ้นมาอืทีนี้ดวงสว่างขึ้นมาเนี่ยจิตก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่วความว่างเปล่าอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่พูดถึงสมาธิแต่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอันนี้คือปัญญาถูกต้องครับปัญญาที่จิตก็ถ้าเป็นปัญญาคือก็ต้องปล่อยทุกอย่างได้หมดแล้วมันปล่อยได้ไหรือเปล่าลาบยศเสลเสยคือยังยังยังไม่ได้นั่นเสงก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญา มันมันเป็นสอนหรออ่ามันเป็นมันเป็นคำสอนไงอยู่ที่คุณเอามาเอามาใช้ตามที่คุณได้ได้รับรู้หรือเปล่านั้นนั่นคือความจริงของโลกความจริงของโลกคือไม่มีอะไรคืองว่าอันี้ก็คือเหมือนจิตอบรมจิตใช่ไห้ก็นั่นแหละก็ทําอบรมจิตเนี่ยคนปฏิบัติทําทําโผขึ้นมาคนจะเรียกว่าปัญญาก็ไน่ามันเป็นปัญญาที่เอามาใช้ในในชีวิตของคุณได้หรือเปล่า ถ้าคุณเอามาใช้ในชีวิตของคุณได้มันก็เป็นปัญญาคือต้องมาลากกิเลสถ้ารู้เฉยๆเหมือนกับไปดูหนังเพร่ยเขาก็ทำได้แต่แต่แต่อันนี้มันมันทำให้เป็นพื้นฐานที่มองว่าคือเขาหาให้ความหลุดพ้นเพราะว่าจากตรงนั้นมามาทําให้เกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาว่าในโลกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรจริงๆมันก็เลยเป็นแนวทางที่ว่าเขาวัดแล้วก็มาปฏิบัติแต่จริงๆถึงไม่ถึงแต่ตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็น ใช่เปลี่ยนทัศ น, ตนคติอืครับกุณเป็นไงเปลี่ยนแต่สนทัศนคติแต่การปฏิบัติยังไม่เปลี่ยนครับยังยังไป็นของจริงอยู่ใช่ไมร้านก็ยังจริงอยู่นะขนมนมเนยก็ยังจริงอยู่นะมันไม่จริงคุณต้องต้องเห็นว่ามันไม่จริงหรือต้องเห็นว่ามันเป็นความว่างกินก็ได้ไม่กินก็ได้ต้องเห็นอย่างนี้มีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ได้เดีย๋ยวไปกินตามความอยาก อย่าไปทําตามความอยากเพราะมันเป็นของว่างอยู่นะนี่คือมันไม่มีอะไรเราไปหลงมันเองว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นโลกมายามันไม่ใช่เป็นของจริงแต่เราไปหลงไหลว่ามันเป็นจริงกันทักคือไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือพอพอเราเราทําสมาธิแล้วดูจิตดูดวงอารมณ์ที่ม่งเกิดขึ้นมาครับมันจะมีอุตตะฐานคือความยุติบในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นี้เวลาที่เรา เราต้องการจะระ ง, งับในกิเลสหรือว่าความอยากรูอประทานในชนิดต่างๆเราเร า, เราจะจะลําดับเหตุการณ์หรือว่าเราจะจะแก้อย่างไงก็ต้องเห็นว่ามันว่างมันไม่มีสาระสําคัญก็ปล่อยมันไปทั้นคือไม่ต้องไปแยกแยะแต่ดูเป็นกิเลสเป็นรูปเป็นนามเป็นอย่างเดียวแล้วก็ดูอุปทานที่ดติยมันแต่ละคน<อ> ก, ก็ลําดับปัญญาของแต่ละคนมันก็แล้วแต่ระดับของเขาถ้าคุณอยู่ในขั้นแยกแยกคุณก็ต้องแยกไป แต่เมื่อกี้คุณพูดถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยคุณในวันทุกอย่างมันว่างไปหมดแล้วไม่เกิดขึ้นมาเองคุณก็เอาอันนั้นมาใช้เลยต่อนที่ผมท่าอย่างนี้ครับทำว่ามันจิตบ้างเก็บเทียบอารมณ์เช่นว่าสมมุติอย่างอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันฉีดบ้างที่เป็นตัวเก็บเทียบอยู่ตอนนี้ที่ทำนะครับอารมณ์มันมากหรือมันน้อยคือมันมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมากหรือน้อยเก็บเทียบของความบ้างที่เราเคยเคยฉินตรงนั้นนะครับไม่เป็นไม้บรรทัดนะครับมาวัดกับอารมณ์ที่ว่าเวลาที่ตาเราไปเห็นรู แล้วเกิดอารมณ์สัญญาขึ้นมาอแล้วก็เอามานมาทักเหมือนได้วัดว่าเออมันมากขึ้นหรือน้อยลองคอยดูตัวเองอยู่ตลอดแต่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ า, ามันไม่ทำมันไม่ให้มันหมดไปแค่เลยะคแต่ก็พอมีอารมณ์ก็ตัดถึงไปเลื่อยสิบอกมันเมันของหลงของหลอกเรามันจะมีบางอันที่ตัดได้ด้วยคือมันจะมีแบบคล้ายๆกับว่าเป็นแรงดึงที่เยอะกับน้อยเวลาเยอะนี่มันมันเอาไม่อยู่อ มันถึงบอกว่าเวลาเห็นอะไรในสมาธินี่มันไม่ได้หมายคำว่ามันจะเห็นไปตลอดเวลามันเห็นเฉพาะตอนนั้นพออกมามันก็หายไปถ้าหายไปมันก็เอามาทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วไม่มาซ้ำอีกดก็อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องต้องนึกถึงมันบ่อยๆไงมันไม่มาซ้ำอีกก็มันไม่มาซ้ำแล้วก็เด็กมันมาเลยแล้วก็นึกถึงมันเลยจาได้เอจํามันได้แล้วเอามาใช้มันได้เนี่ าาจิตเดนจิตผ่ต อ, อย่างนี้ทุกครั้งเวลาจะดูหนังก็บอกว่ามันมีแต่ความว่างมีแต่แสงไปดูอะไรดูหนังมันก็มีแต่แสงนั่นนะเห็นไหมหนังมันก็มีแต่แสงไม่ใช่เหรอแสงมันก็ว่างนี่นเราไปให้เราไปให้ความหมายของมันเองถูกสอนให้ให้เรียนรู้ความหมายของภาพต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งตามมันไปแล้วก็เกิดอารมณ์เสพอารมณ์ที่เราเห็นไปนั่แล้วมันก็หายไปหมดอยู่ดี แล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจนอกจากความความอยากที่จะอยากดูต่อดูใหม่ดังนั้นเราต้องทําลายตัวความอยากนี้ด้วยการไม่ทําไม่ทําตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูมันพอเราไม่ดูมันต่อไปความอยากมันก็ไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปดู เราต้องการตัดตัวความอยากคือตัวกิเลสมันเท่านั้นเองนี่ตรงที่พระอาจารย์บอกว่าตัดตัวความอยากครับทีนี้ความอยากบางตัวเนี่ยมันเป็นความเฉยชีนหนึง่งมันเป็นแบบแรงเหวี่ยงที่เยอะของจิต ท, <ม>ที่ที่เขามีกําลังคราวนี้เวลาที่เรามีสติหรือกําลังของของสมาธิมัอก็สติน้อยคราว น, นี้บางทีมันเขาเกิดขึ้นเร็วแต่ตามรู้มันกลายเป็นการตามครับ<ม>คือทํายังไงจะให้สติมันเร็วขึ้นหรือว่าจะต้องอมีมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์เดียวกับพุโทโธกับอะไรไป ทำต่อเนื่อแล้วมันจะสติก็จะเลเขึ้นแล้วมันคงขึ้นอ่าแล้วมันก็จะมีแรงหยุดหยุดความอยากได้คือบางทีผมผมดูอารมณ์บ้างไปดูพุทโธบ้างที่ลมหายใจบางทีก็ไปดูท้องดูการก้าเดินดูปิฎยาร่างกายแต่บางครั้งก็ไปจุดจ่ออยู่กับ ง, งานเวลาทํางานนะครับแต่บางช่วงก็หลงบ้างก็มีอตรงนั้นนะครับเป็นจุดอ่อนจะแม้อารมณ์มารมั่วมันต้องลองหยุดทํางานสักวันแล้วอยู่กับอารมณ์เดียวไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆมันถึงจะหยุดจิตได้ อารมณ์เดียวหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่รู้แล้วปล่อยว่างอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือกรรมฐานไงพุทโธก็ได้อะไรร่างกายก็ได้อ่ อ, อกกให้อยู่กับเรื่องอเดียว<อ>เพื่ อ, อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าเราพุทโธพุทโธไปทั้งวันนี้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะว่างแล้วมันก็จะเย็นแล้วก็จะหยุดแเวลาเกิดความอยากเราก็จะได้มีกําลังหยุดมันได้ พอเรารู้จักวิธีหยุดจิตแล้วเราได้สร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดจิตได้แนะนี่ขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาคอยส อ, สอดส่องดูว่านี่เป็นกิเลสหรือเปล่าถ้าเป็นกิเลสก็หยุดมันมีหลายครั้งครับที่ว่าสมมติมีอาการอารมณ์อยากอาหารอย่างนี้คนระับแล้วพอสติไปเห็นทุกอารมณ์แล้นมันดับทันทีอ <c oughs> ย่างนั้นคือคือใช่ไหมถ้าจะกินก็กินเพราะมันจําเป็นถึงเวลาร่างกายมันต้องมี อาหารมีน้ำก็ให้มันกินตามความจำเป็นแต่อย่าให้มันกินตามความอยากเช่นกินวันนี้กินหนึ่งเสร็จแล้วก็พอละอยากยังไงก็บอกว่าไม่ใช่เป็นความจำเป็นละแล้วอย่างคุณนี่ไม่กินสักสิบวันก็ไม่เป็นไรเพราะคุณกินเผื่อไว้น่ะคุณมีอาหารสะสมไว้ในร่างกายพออยู่ได้สิบวันไม่ตายขอให้มีน้ำดื่มลองทาดูแต่ลองสุ่กิเลสเรื่องกินดูเนี่ย ไม่กินสักสิบวันด้วยวิ่เดินแต่น้ําไปแร่างกายคนจะมีจะลดน้ําหนักลงไปได้แล้วจะลดกิเลสไปได้ด้วยพะดด ท, ที่มันกินนี่ก็กินเพราะกิเลสถ้ามันถ้ากินถ้าไม่ได้กินเพื่อกิเลสมันไม่ใหญ่แบบ น, นี้หรอกร่างกายใช่ไหมถ้าอยากจะอยากจะดูว่ากิเลสลดเป็นลดก็ดูน้ําหนักก่อนดนะีกว่า นะปฏิบัติทำก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ไปชั่งน้ําหนักดูวันนี้เราระจิตจะลดกี่เลยแต่ถ้ามันกลับมาเป็นปกติแล้วก็ใช้ใช้น้ําหนักดูไม่ได้แนละถ้าดูน้ําหนักเดี๋ยวร่างกายกลายเป็นเป็นโครงกระดูกเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ไม่อันนั้นก็เกินไปละไม่จําเป็นทางสายกลางสายกลางสายกลาง ก, ก็คือน้ําหนักคนจะพอดีกับ ความสูงของตนสูงขนาดนี้น้ำหนักคนจะเท่าไหร่ใั่คนจะมีเท่านั้นี่สมาธิไปลงมลมจับก็ความคือความหมายของรอาจารย์คือคนเรามักจะปล่อยเลยในสิ่งที่ตัวเองชอบทำตามความอยากพอชอบแล้วก็อยากตรงนี้จะเป็นการเรเยนเยอะจะทำตามความอยากความอยากก็คือกิเลสแล้วมันเป็นสิ่งที่มันจะทวีคูณมัน ถ้าทำตามความอยากแล้วความอยากมันไม่น้อยลงมันมากขึ้นถ้าไม่ทําตามความอยากที่ความอยากก็จะน้อยลงไปนี่และก็หมดไปสร้างสติ ข, ขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดมันสตินี้เป็นเหมือนเบรกคือวันี้ไ ด, ได้ได้อะไรหลายอย่างแต่ตัวผมเองชอบให้คนใช้สีหน้ามากกว่าเรามีความคิดว่าพมื่อสีหน้าแข็งแรงแล้วระดับจิตลดไปเดีว จะยกความนี่ระวังเกิ่มอีกความจริไม่ได้ฝืนอะไรเลยเพราะสีหน้าตอนนี้มันเป็นปกติสีเพราะว่าใช้ใจใจใจรักษาได้ก็ขั้นต่อไปก็ลองรักษาสีแต่ดูสักวันมาที่ละวันก่อนก็ได้ตั้งใจทีก็ทําได้ได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าจริงการฝืนตัวเองให้ปฏิบัติตลอดมันยากกว่าอยู่แล้วออกิเลสมันไหลก็อยู่แต่นี่คือไม่ให้ความสําคัญเองใช่เราไม่เห็นความสําคัญของมันค กิเลสพยายามที่จะไม่ให้เราเห็นความสําคัญของธรรมมันย่ายความให้เห็นความสําคัญของอาหารของขนมนมเนมากกว่า 4, ครัอย่างแค่สี่ห้าก็จริงๆคนธรรมดาก็ว่ายากคนระับแต่พอไปไปเป็นจิตรักษาแล้วมันไม่ต้องถืออะไรเลยอืพระจิตก็รักษาของเขามีพรจิตก็รกักษาเองออืแต่นี่อย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ตั้งใจออืมถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจก็รักษาแล้วถึงแต่คนต้องตั้งใจไม่ยากอแล้ว หมดกินอย่างเดียวครับผมเพราะว่าผมนอนที่นอนต่ำอยู่แล้วผมนอนกับไอ้มหักอยู่แล้วนี่กล้ามเลยเดี๋ยวนอนนอ น, นโอโอโอโอหนึ่งโอ้โหปวดกระดูกเดี๋ยวนะลองไปทำนะใส่สินห้5แล้วแค่นี้ก็ต้องขยับต้นสินแปดสินแปดแล้วก็ต้องปฏิบัติทั้เต็มวันทั้งวันเลยหยุดเรื่องถ้าสินห้นี่ครับ ของผมเป็นระดับที่ว่ารักษาเองแต่ว่ามันรู้สึกมันจะขาดเมตตาหนายความว่าในในระดับของความละเอียดของจิตแล้วอะอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มันอยู่ตามพวกอย่างเช่นมดในท่วมหรือว่าอย่างสัตว์ที่อยู่ตามใบไม้ที่เราจะเผาเนี่ยคือตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นความละเอียดของจิตแล้วควรจะมีเมตตาใช่ไหครับเราก็ต้องมองว่าเขากับเราก็เหมือนกันคถ้าเราเป็นมดเราจะกล้าจุดไฟเผาเราไหมนช่ไหม เขาก็มีจิตใจเหมือนเราเขาก็มีร่างกายเหมือนเราแต่ว่าร่างกายเขามันเล็กกว่าเราเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกนึกคิดความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกไฟเผานี่เหมือนกันที่ที่ที่ ท, ที่ร้านร้านกาแฟทางหัวให่มีมีสวนเลยแม็แกซ์เออจะมีจอมปลวกนะตั้งแต่เขาเล็กๆแค่เนี้ยเราเล่นอยู่ยุ่งก็คนสวนมาก็บอกว่าเอ้ย ชีดชีดทิ้งไปกว่านี้ไปที่งของฉนเดี๋ยวนี้เขาขนาดนี้แล้วนะฮะเขาก็องมต้นไม้ไปก็ต่อยเข้าไปเขาจะเป็นภูเขาก็ต่อยลงไปลงไปทานั่นนี่โอ้โหไม่รู้ไม่รู้กี่โกดกี่ล้านงดในนั้นนะจอบหลวงที่มันอยู่ในนั้นจีนมต้ใช่เป็นเมืองไงเป็นเมืองวันนี้ไปทิงระเบิดนิวเคียร์ในกรุงเทพเนี้ยโอ้โหกรรมเวรเลยนะเนี่ย เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อทีกจไปลอดภัยเป็นบ้านเปนเมืองของเขาแต่เราเขาเขาพิมพ์เขาก็ไม่รู้ว่านั้นคของใครจริงมัก็ไม่มีเจ้าของอแลต่เราเป็นไปชิดคัดเอาว่าบ้านเราอืที่ของเราอย่างนี้ก็ไม่รู้จริงมันก็ไม่ไม่ใช่ของเราเพราะเราก็เสื่อมสลายไปวันหนึ่งของเราชี่ออข่าว จอไม่ต้องทำบาปเพื่อรักษาเลยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพาว่าไงถ้าจัดใน่ช่วงเวลาทังวันที่เราไม่ได้นั่งเป็นแบบเป็นเ่วงมงอ น, นนะคะแล้วแต่ในระดับถือพุโธได้ไหมค ะ, ะมันก็พัฒนาได้ใช่ไหมจ้าคะ่ะก็ได้ดังไดงในระดับของสติถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่ง่ อ, นนอมันถึงจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ สติพยงแต่ดึงจิตไม่ให้ไม่ให้ลอยไปลอยมาเท่านั้นแต่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ต้องเข้าไปต้องนั่งมันถึงจะเข้าไปได้มืออย่างในหนังสือปฏิบัติมิชามที่ที่อ่านเนี่ะที่มีพูดว่าในในชั้นเรื่องมันบอกว่นั่งนานๆนั่งจนเหมือนกับร่างกายจะแตกเป็นโยมีนั่งนีอันนั้นเป็นระระดับนึงระดับแล้วทีนี้หมายถึงว่าแล้วอย่างระดับอย่างพวกโยมนี้คือว่า สตััววช่โงีงเรา ด, ด, ดิดูกําลังของสติเราเวลาถ้าสมมุติว่าเราหน้าก็เจ็บปวดถ้าเราอยากจะนั่งต่อแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดพุดโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปทําอะไรก็ได้ทําให้ใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บปวดมันจะนั่งต่อไปได้แล้วบางทีมันก็จะปล่อยความเจ็บนะั่นมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้สองสามชั่วโมง นี่เป็นเป็นขั้นต่อเป็นขั้นต้นี้การเอาถึงเอให้ให้มานั่งให้ได้ก่อนนั่งได้แล้วที่นั่งให้นานนั่งให้มันรวมนั่งให้มันผ่านความทุกข์ถ้ามันผ่านความทุกข์ได้จิตใจมันจะกล้าหาญต่อไปมันไม่ค่อยกลัวความเจ็บปวดของร่างกายเรื่องหิวคงหิวข้าวอะไรนี่มันทนได้เพราะมันจะมีกําลังที่จ ะ, ะรับกับความหิวความเจ็บของร่างกายไม่สะทกสะท้าน ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนมีมีกลวิจารณ์ที่ว่าพึ่งพักตั้งสมาธิแล้วเสร็จแล้วเขาหนึ่งกลัวว่านั่งแล้วจะตายสองกลัวว่านั่งแล้วจิตจะหลุดจากมันไม่ได้มิจฉาที่ถือคือพรุ่งนี้นี่คือก็ท้องเขามาถามผมนี่เขาไม่ได้ศึกษากับผู้รู้เขม่ได้ตอบเขา อ, อย่างไรเ่าบอกต้องไปหาผู้รู้ไปหาผู้ที่ก้อนแน่วแล้ว เขาไม่ได้มีเป็นอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้ตายจิตเขาไม่ได้หลุดไปไหนเนี่ยคือการปฏิบัติแต่ไม่มีอาจารย์ไม่ศึกษาไม่ปริยัตยก่อนนีต้องปริยัตยก่อนถึงมาปฏิบัติปริยัยกันเนี่ยต้องศึกษาบ้างคือให้รู้ไม่ใช่แต่ไม่ให้รู้ทั้งพระไตรปิอกหรอกเพียงแต่ให้รู้วิธีการปฏิบัติรู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรแค่นี้ก่อนอันนี้ไม่ลุยหน่อยเนยก็ว่าไปแล้วนั่งแล้วจิตจะหลุด ร่างกายจะตายเนี่ยนี่มันเอาอะไรไม่ใครมาสอนมัอนอ่ะมันจะคิดไปตามความรู้สห้คิดของมันเองหรืออาจจะไปเห็นคนนั่งแล้วเป็นบ้าก็เลยคิดว่าอยนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันจะแต่แล้วก็บางคนเขาชอคิดอย่างนั้นเยอะเลยก็เกเมันไม่อยากให้เราทําชาชิอแต่เวลาไปเที่ยวไปเล่นการพนันเป็นบ้ามันไม่คิดอย่างั้นชใช่ไหอถ้าอันไหนที่กเกเรชอบเ่ยมันมั น, ม, นมันทํามันใครจะมาห้ามมันก็ไม่เชื่อ เราบอกอาบายมุกไม่ดีนะจะเล่นกายพนานเราหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่เชื่ออถ้ามันเล่นมันมันถ้ามันชอบเล่นมันก็จะเล่นเดิมสุราไม่ดีนะถ้าอะไรที่มันกิเลสมันชอบมันไม่สนใจไม่ฟังหรอกเอาไหนที่กิเลสไม่ชอบนี่โอ้โหมันหาหาเหตุปัดให้ไม่ให้ไปยุ่งเลยเนี่ยนั่งสมาธินั่งเฉยๆนี่กิเลสมันไม่ชอบเลยนะ ติดสมาธิฮะไม่มีคนบอกว่าฉันติดสมาธินะบางทียังไม่ทันได้สมาธิว่ากลัวติดสมาธิกันละออติดสมาธิมันไม่เสียหายตรงไหนมันดีจะตายเไปติดความสุขจากสมาธิมันความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่ติดที่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่ไปขั้นปัญญาเท่านั้นเองแต่มันไม่เสียหายไม่เหมือนติดยาเสพติด โทษต่างกันเสมาธิมีแต่คุณติตสมาธิก็นั่งใจนั่งสมาธิจิตก็มีความสุขอย่างใดมันก็อยู่ในขั้นนั้นมันไม่สามารถก้าวขึ้นไปขั้นได้มันต้องออกไปทางปัญญามันถึงจะไปสุขแบบถาวรได้สุขสมาธ่มันสุขชั่วคราวสุขในขณะที่นั่งพอจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าขึ้นไปขั้นหนึ่งขั้นปัญญานี่มันจะได้สุขที่ถาวรไม่ต้องเข้านั่งสมาธิ อ ย, อยู่นั่งอย่างนี้คุยกังก็มีความสุบมันอยู่ในสมาธิในหนักท่านปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวตับกิเลสข่ากิเลสสมาธินี่เพียงแต่กดมันไว้หินทับยากปัญญานี่ถอนลากถอนโคนของยากปัญญามีประโยชน์กว่าสมาธิถ้าติดสมาธิข่าแต่งหัวติด ควรจะออกควรจะขึ้นไปสู่ปัญญาไม่ใช่ว่าติดสมาธิแล้วกลับไปดูหนังไม่ใช่ปัญญ <laughs> าไหมจะติดหนังนี่ว่าติดสมาธิหรือ เ, เรื่องเดียวนะใช่ <laughs> าง ด, ดูหนังก็เหมือนนั่งสมาธิไม่ใช่เหรอเวลาดูหนังนี่จจอ <laughs> ไม่ไปไหนเลยวชชียังไม่ยอมลุกเลยวิดีโอเเฟซบุ๊กเอ นี่แต่ท่านคะกลับมากลับมาที่สนใจยังไม่จบนะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับจิตเนี่ยที่แบบว่าเกี่ยวกับหลงตาเนี่ยที่ที่จิตเข้าไปอยู่ที่ของมันในเนี้ยเออแต่ตอนนี้เวลาตกติแล้วมันออกมามันมขยายตัวใช่ไหมคะ มันขยายตัวแล้วมันไปไหนมันอยู่ที่มันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอ๋อมันออกมาผิวกายตาทุกชุดเนี่ยทุกส่วนของร่างกายในจิต่อันนี้เรียกว่ากระแสจิตกระแสจิตวิญญาณของมันภาษาเราเรียกวิญญาณในขันนั้ภาษาพม่าไม่ใช่ไม่ใช่เพาะภาษายแปลว่า consciousness จิตใต้สำนึกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวออกมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตเนี่ยนะคะ กระแสมันกระแสคือว่าคือว่ามันอยู่นี่แล้วมันก็กระจายเป็นกระแสมันส่งกระแสออกมารับรู้เหมือนกับเอาเหมือนกับเอาสายไฟไปไปเสียบปลั๊กอ๋อแล้วนี่เป็นเป็นเป็นเป็นทางเข้าทางออกของมันมาเสียบใช่มันจะได้เห็นเห็นรูปได้ฟังเสียงมันตัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันแต่สาขาออกไปเหมือนเหมือนเส้นนี้เลมันมันถอดปลั๊กเวลามันเข้าไปในสมาธิมันถอดปลั๊กห้าปลั๊กออก พักเสียงพักพักอะไรนี่มันถอดออกเข้าใจแล้วเวลามันอยากจะรอบรู้มันก็เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่เหมือนเครื่องเหมือนเตกอยู่นานเหมืซาวไม่มีใครบอกเอเหมือนเครื่องคอมของคุณเี่ยเวลาทูณจะเล่นของมีเสียงคุณต้องเสียบปลั๊กเข้าไปในรูเสียงก่อนอยากจะเห็นภาพต้องเสียบต่อไปก่อนภาพมันถึงจะโผล่แต่เนี่ยตัวเมนโมเดมตัวฮาร์ดคอมมันอยู่ในนั้นนะมันอยู่ในนั้นไม่ไปเห็นมันหรอกตัวจิตอยู่ในนั้นอะ แต่มันมีสายเชื่อมออกมาทางตาหูจมูกนิ่งกันเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเราเหมือนกันเราถอดปลั๊กถอดปลั๊กไม่รับรู้ไม่ฟังเสียงไม่อะไรก็ไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกตัวจิตเพระนาะฉะนั้นการนั่งสมาธิที่ที่ที่แบบว่าจิตสงบนิ่งใช้ปัญญาทีหลังได้เนี่ยที่ที่ที่แนะนําว่า ด, ดีที่สุดคือการปิดหมดอ่าต้องรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ไม่ถามนล้วไ่ามล้จลองไปทาให้ลองไปทำให้เจอไอ้ตัวนี้ก่อนใช่สงสัยอยู่นานเลยทางนี้มีอะไรไหมฟงหมังขมวดนะฮะฟังขมวดเลยาน้นคอยเก็บเอาข้างๆต้นเอาครับวันนี้ก็ได้หลายเรื่องได้เรื่องศีลได้เรื่องสองติได้เรื่องสมาธิ ลองพยายาศึกษาอ่านหนังสือธรรมะให้มากๆก่อนในเรื่องต้นจะได้เข้าใจป่อต่อนีนเรื่องเข้าเกี่ยวกันนิมิดนะครับเพะะน้นหลังจากถูกจับนะมีอันหนึ่งที่อาทิตย์ที่แล้วนู้นก็ที่จิงก็ก็รู้แหละท่านบอกว่ามันก็นิมิดนันแหละก็เช้าล่ะก็ไม่ไม่หลับเลยก็ออ เห็นนะฮะเห็นว mm ่า hmm. ตัวเองน่น OK> ั่งแล้วมีแม่นั่งอย่างนแม่ยังไม่ตายนั่งอยงนี้แล้วแล้วมันก็มีเสียงดังมากท่านแต่จิตรู้แล้วว่าเป็นฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาให้เราก็โ้่หนีเลยท่านไม่ได้กลัวตายหรอกว่ามันมันดังมากพอเปิดตาขึ้นมามันก็เป็นโคมไฟแตกแตกหมดเลย แล้วแม่นั่งตรงนั้นหายู่ไหนเด็กเขาหายไ่ไหนเดี๋ยวใบก็าไปนอนนอนตรงที่นอนเตียงเดียวก็ไปโกลบเา้าอ่ะเป็นไงถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าเขาเนะนี่ยนะน่มเหมือนแมวซึ่งเพิ่งตายอะอ่อนละทวยนะแม่ก็แม่ตายเนฮะ้ยตายไดนะ้ไงก็จ้อาหนุนาน ก็ตายก็สองได้ไงอ่ะเขาตายไปแล้วอ่ะแล้วจิตจิตมันก็แบบว่งแหลกก็ก็เลยต้องก็แบบก็ขยับตัวบอกมาบอกที่นี่ม่าทำไมทำไมมาสามสองบอกเราว่าแม่ตายหมดจะมาลองหรือว่าเราจะร้องไห้อีกเปล่าช่ตยตาท่านก็แล้วแต่เราก็แล้วแต่เราอ่ะใช่ไหมเวอันนี้นะเป็น ใครมาสอนแล้วก็จิตสอนจิตใช่ไหมคะว่ามาท้าทายว่าอย่างรวยป่ะทําทสอนจิตทําที่เราได้ศึกษามามันจะมาสอบทดสอบเราอ่านของพระอาจารย์ทุกวันะหรือมันมามามาม า, มาสแสดงแต่ละรูปแต่รูปมันมาสแสดงผลของการปฏิบัติให้เรารับรู้ว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราเห็นหน้าตายเราไปร้องไห้แล้วไปร้องไห้แล้ ว, ลลวเป็นละค ร, รเลยค่ะ <Bere hi S 1> เป็นหนัง ไ, ไ, ไปนนแล้ว<ม>เนี่ยเอ อนบางทีเวลาที่เราฝันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับรายงานผลการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ถึงตรงไหนแล้วเราไปถึงตรงไหนแล้วจริงก็ดีนะท่า น, นก็ดีเลยไม่่เหมือนการเด็กำต อ, อ, อบแต่อันนี้ผ่านผ่านนไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนนะท่านเมื่อก่อนนี่นะตั้งแต่ก่อนที่จะมาอ่านพระธรรมคสอนของท่านนี่นะ ก็ตั้งอยู่อังกฤษนะวเวลาเนียบอยู่คนบ้า น, นก็หลังเมื่อคืนมายักษาไม่มีใครอยู่บ้านเลยรูปเลิกเรียนนะสามีเขไปไหนไม่รู้ไปเขานั่งโขมผ้านะถ้าหุยชิ้นเปนเลิศมันก็น้าหนานะกลัวนะท่านกลัวว่ากลั ว, วก็จะมีอะไรอ่ะพอเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเลนว่าเวลานั่ง น่าสมาที่จะเห็นอะไรที่มันน่ากลียแล้วเกี๋ยวเป็นบ้าฉันว่าจะเป็นบ้ากลัวเพราะความเคืองโดยไม่รู้เรื่องว่ามาคามันถึงเป็นอย่างนั้นนี้พอมาฟังท่านแล้วบอกไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะทุกอย่างเป็นดิเป็นดวงจิตเป็นเพื่อนเราทุกคนแล้วก็ตจตายไปแล้วก็แล้วก็ที่เราฝันฝันไปแล้วก็เป็นเป็นหนังม้วนใหญ่เป็นเป็นภาพ เป็นภาพความจําของเราไม่ว่าจะชาติไหนเวลาไหนพบไหนที่มันซ้อนกันขึ้นมาใช่อหมฟังเลยก็เลยความกลัวก็เลยหายไปอือย่างนี้ไม่กลัวแล้วแค่ดีไงดีก็กล้านะก็แก่ต้องถามต้องถามตัวเองต่อไม่ต้องยังกลัวอะไรอยู่ก็ไปแก้มันต่อไปกลัวอะไรกลัวอะไรรักอะไรหลงโงอะไรอื ก็ต้องตัดมันให้ได้ชอบอะไรอยากได้อะไรก็ต้องตัดมันให้ได้เข้อสอบไม่ต้องให้ใจเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ก็จะพูดว่าอยากอยากไปนี่พ่านนี่ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอยากอันนี้เป็นคนละเรื่องต้องพูดต้องพูดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องพูดว่าอยากนะท่านสอนว่าเขาว่าอยากพูดได้เป็นเดี๋ยให้รู้ว่าความอยากที่ตัดที่ต้องตัดจากความอยากที่ไม่ต้องตัดเอาอย่างนี้ อเวลาคนเจ็บ่ายได้กล้วยคนอยากขายไหมอยาอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคนที้เราอยากขายมันนี่กินยาท่าไม่อยากหายมันก็ไม่กินยาคนอยากจะไปนิพพานกวจะได้ปฏิบัติเนี่ยคนจะได้รู้ว่าไปนิพพานไปยังไงต้องตัดความอยากอย่างอื่นความอยากที่ต้องให้ตัดก็มีสามตัวแต่อยากอยากของดีๆอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอยากอยากอย่ากในลูกเสียงเก็บอยากในลูกเสียงเก็บรุ่นนี้ต้องตัด อยากนี้อยากเป็นนี่ต้องตัดอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องตัดภวิชาอราคาราคาปัญหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต้องตัดปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายอยากอยากเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องตัดอยากเป็นคุณหญิงคุณนายอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็น อะไรก็ตามอยากให้คนเขายกย่อ ง, สงเสริญเสียนเดีนยานับหน้าถือตาต้องตัดไปความอยากแบบนี้ตัดไปแต่ถ้าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องตัดเพราะเหมือนถึงจะกินยาอุานี้กันยาต้องกินยาถึงจะหายเข้าใจเขาเป็นข้อมแม้ว่าการจับการจั บ, จบการจับวิธีคิดของเราวิธีพูดของเราเนี่ย เราต้องมีระเบียบนะคะระเบียบของการพูดการคิดอ่าไงหมอมีอะไรไหมไม่นช่คล้ายๆกันนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวฟัวงไปแล้วเดี๋ยวคือที่ภาวนาทั้งหมดมาที่เคยบอกช่วงก่อนที่เจ็ดสามอ ะ, ะคะ่ะ มาเ อ, อเจ็ดสามนั่นหมายถึงว่าที่เราได้ลองพยายามเก็บตัวภาวนาทั้งวันเดินจนรวมนั่งสมาธิแล้วพ่อวันในวันหยุดแล้วก็วันธรรมดาก็นั่งสมาธิอย่างที่บอกนั่งมั่งเดินมั่งทำมารด้วยก็เหมือนกับ เ, ออเรียกว่าอะไรนะ อ, อ, อนุรักษ์กัสังทารแล้วประคองเอาไว้นี่อยู่เจ็บสาม เนีย่างเจ็ดสามเจ็ดสามมันคือถ้ายามปกติเนี่ยน้ําหนักจะขึ้นสิบกิโลค่ะถ้าเก็บตัวมัน็นลดลงสามกิโลเขาบอกว่าจานเจ็ดสามเกรดมันมีแรงเจ็ดสิบเรามีแรงสามสิบก็จะประคองเอาไว้เนี่ยคือที่ผ่านมาดูก็จะทำอย่งางนีเออาทิตย์ที่แล้วแป๊บลูกหมาเนี่ยก็จะมาเอามาปุ๊บเนี่ยถ้าจาย์เห็นเลยว่าการที่เราจะวาง วางของภายนอกที่มีจุดคลองหรือมีจุดคลองเนี่ยต่างกันลูกหมาตัวเล็กๆทำให้เราไม่สามารถเมนเทนแนนนั่งสมาธิในในในวันธรรมดาได้ก็มาน่ารักพระอาจารย์เห็นทันทีเลยว่า ไอ้ไอ้กาลังสติกําลังสมาธิที่เราพร้อมมีนิดหนึ่งที่เอาไว้ประคองไว้ดูมันร่วงไหายมงนเลยหายแตงไปอยู่ที่ตัวมาตัวเดียวหนูเลยต้องรีบเอาไปให้คนอื่นเให้เข้าไปเลยฮะทีนี้ตอนให้เขาเนี่ยแลนะก็จะเราเห็นกิเลสของเราเลยอว่ามันมีหลายระดับมีคนเข้ามาเสนอให้ห้าร้อยให้เขาเนี่ยไม่ให้พันเนยไม่ให้ หนูเลือกเพราะว่าหนูรักมันหนูชอบมันหนูเลยต้องให้คนที่หนูรลกหนูก็เลยต้องเอาไปยกให้พี่เต้าหนูทุกมาเราก็เลยเห็นว่าโอ้ยที่ม ง, งคลลสูตรที่บอกว่าอันแรกให้สังเคราะห์บิดามารด า, าแล้วก็สังเคราะห์บุตรภรรยาอันที่สามสังเคราะห์ส ง, สงเคราะห์ญาตเป็นลำดับมามันก็เป็นลำดับของจิต <c oughs> ที่เขาปลูกฝัน ลูกหมาที่ไหนหมดเลยการเมื่อวานสามเจ็ดสามดีเงี้ไได้จะได้รู้ว่าเจ็ดชงเรามเป็นยังไงแต่มันทราบเลยนะก็ว่าอย่างว่ามันความผิงนเือนเเบาเบาหมดเลยต้องเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวแบบที่เวลาเขาบอกว่าเบานะต้องเจ็ดเสียงไรเจ็ดเสียงไเสียงหมดเนื้อหมดตัวเจ็ดเสียง หลวงตาท่านก็ไปเสื่องกับกดอันหนึ่ง ใ, ใช้เวลากับการทำกรดเลไไม่มีเวลามานั่งสมาธิพอทำกรดเสร็จจะกลับมานั่งสมาธิก็ไม่สงบเลยเพราะมันมันจะทันทีแล้วก็ยกังพอเราจะเดินจนกงกรมเหมือนเดินจนท่าสบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ประมาณอย่างนั้นลลูกตอนนีย้ยกใค้เข้าไปแล้วใช่ไหมยกแค่ค่วัเสาบอกว่ามันอยู่กับหนูจะมาฟังทมก็ไม่ได้มาเองไม่เอาเงินมาด้วยต้องโดนพระอาจารย์าน่าหมดเลยกับว่ะอาจารย์โว้ย้ทราบความหมายของที่ทขาบอกว่าภ า, า, า, า, าวนาต้องเอากันจนหมดเนื้อหมดตัวหมดอย่างนี้จริๆงๆพรอาจารย์้ไม่มีอะไรติดตัวเลยต้องตัวเปล่า อย่างพระุดงเนี่ยมีแค่บริหานอัาบริฐานไปให้แต่อันนี้ทําหมดเนื้อหมดตัวเลยถาว่ายังไงพอยังพอจะให้พรนะยะถาวะรกวาหาตุลาปาลิกตุเลนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติ อิชิตังปัตตังตุมหางคิดพระเมวะสมิจฉะตุสะเพตุเรนตุสังกปาจันทูปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิโยวิวัจจาตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุทีทีพายุโภวะ อาพิวาธนสีนิศะนิจังวุธาปจายโนะจัตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังใส่ที่แจกอ่าแจกแจกถือได้เลยเอาไปต้องเอาไปอ่านนะถ้าไม่อ่านก็เดี๋ยวไป CD ก็ไปฟังได้อันนี้งมอะไรท่านมาอนนนนตอนนี้ก็อ า, อาจจะมีเหตุสุดไยฟังพราจารย์ตั้งแต่ตื่นนอนแลก็ก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะไม่ได้ว่างมไงไม่หรอกงงง่ ย, ยอะไรฟังทำงก่อนอนอนตื่น ให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาแต่เราเลี้ยงลูกทํางานเป็นหน้าที่เสียงสวยค่ะถ้าเราไม่เสียหน้าที่ของเราก็ร่างกายแต่ก็พยายามสั่งเดินในความสอนของหลวงพ่าฟังเพื่อไม่ให้ลืมฟังเพื่อไม่ให้ลืมเพ่ให้เกิดความคิดมาดีๆคิดไปในทางที่ดีได้ถูกต้องถูกต้องแต่ต้องทําหน้าที่ของเราไม่ได้ทําฟังอย่างเดียวแล้วก็งานก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําก็ไม่ได้ ตอนนี้จากแยกเยกะอะเขาจะไปภูทอกจะไปเที่ยวเลเขาบ้านก็อยู่หนองคายาบ้านอยู่หนองคายาจะไปอยู่ที่วัดเลยเลยอจ้าจับงานด้วยเ่ยค่ไปที่เชือขาวดีดู ท, ทอกก็เดี๋ยวโยงก็ได้ไปนะเพราะว่าพอดี เพื่อนก็ไปเป็นผู้ว่าที่แม่เคเชิญแล้วก็ท่านฉันพักก็จะไปด้วยอท่านจะไปไหมเจ้าคะเราไม่ต้องหรอกเราอยู่ที่แท็กดีแล้วท่านแล้วตอนนี้แบบว่ามันมีปัญหาอยู่อเมืม่อประมาณเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะ่ะพอดีอ่านข้อความของท่านอาจารย์มั่นท่านก็บอกว่าถ้าเราปุกติดอยู่แบบดีเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ในปัจจุบันและตลอดไป ลูกก็เลยล ก, ก็เลยไปคิดถึงเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้ว<ม>ช่วงสามสิ่หปีที่แล้วไม่ได้ทำ ง, งานสามปีอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่สบาย<ม>แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลูกชายก็กลัยจะสามโทก็ถือหนังสือของพระอาจารย์นั่นประวัติดิ่งใหญมาให้พ<ม>ออ่านพารากราฟนั้นก็จบทุกอย่างแล้วก็ลูกขึ้นไปทำงาน<ม>จบหมดเลยแต่ พอมาอ่านอันนี้เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว่<ม>ก็เกิดความทุกข์อย่างรุ่ยแล้วเราจะทํำยังไงกับอดีตที่เราปลูกไว้จากปัจจุบันย้งก็นึกถึงหลวงพ่อนะคะ<ม>ที่สอนไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่หายไปนะคะก็ไม่ทราบจะทําไงก็คิดว่าเอ๊ะสามหร้าปีที่แล้วเราอ่านภ า, ารักกามนั่งของพระอาจารย์มั่แล้วเราสามารถที่ไม่สบายมาสามปีลุกขึ้นไปทํางานได้ตลอดไปเลยนะคะแล้ว ตัดได้หมดเลยแต่ทําไมครา้นี้เราไม่ได้นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปเราต้องบาบัดแน่เลย mm hmm. ก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบอันนี้ไม่ทราบว่าจะบำบัดะหมนี่จะต้องเรียนถามเพราะ mm hmm. ก็เลยไปหยิบพระธาตุของหลวงปู mm ่ล hmm. าผู้เจ้า ก, ก้องมา mm hmm. แล้วก็มองท่าน mm hmm. เพราะว่าท่านเป็นแบบคริสตันเยอะมากคนะ่ะ mm hmm. ก็บอกขอปัญญาติท่านพระอาจารยเพราะว่า mm hmm. ราาูกไม่ไหวถ้าถึงนลูกมา มีตาบากอยู่ไม่ได้แนะ่อนก็นั่งมองไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงมองท่านเพราท่านเยอะมากนะก็เลยไม่ทราบว่าอะไรมันผุดขึ้นมาวนะ่า ก, ก็เราก็เอาปัญญาต่อสู้กับปัจจุบันฆ่าอาดีตไปสักอืโดยการที่เรียกว่าเดี๋ยวเราไปค้นหางเราเองว่าเราจะทํำยังไงกับปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา ตอนนี้มันก็ติดอยู่ว่าฉั น, นก็โอเครู้เรื่องแล้วนะคะการที่ไปหยิบพระธาตุขึ้นมานั่งมองมันจะบาปเหรออ๋อไม่บาปเนาะพระธาตุก็เป็นพระธาตุไมนเลยเป็นพระเนาะมันมีรูปร่างไม่มีพระตายเนี่ยไปแตะต้องตัวท่านไม่บาปแล้วไปแตะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบาปแต่ตายแล้วท่านไม่รู้เรื่องน ะ, ะ, ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ควรทํามันมัน หมายถึงเป็นท่าเป็นศพเป็นร่างร่างกายแต่ท่านี้มันไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นพระแล้วมันเป็นพราท่าพราท่าไครก็จับได้ทั้งนั้นไม่มีข้อห้ามจะแบบดิ้นมาทั้งโถเลยนะนั่งทํามาพระท่าไม่ใช่เป็นพระถ้าไปจับตัวพระเนี่ยมาจับตัวเราตอนนี้ไม่ได้หรอกบาปแต่ว่าก็เหมือนกับว่าก็มีความจุดอย่างที่ว่าถ้ามันมาให้ความกระจ่าอก็ได้เป็นที่ซึ่งของเรา ไม่บาปไม่บาปเดี๋ยวโยมก็จะไปทูทอบเหมือนกันแต่ต้องวางบจนะเพราะว่าพอดีหลายๆคนก็ว่าตามท่านฉันมทาดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปหลายจังหวัดแต่เป็นจบวนเลยเหรอก็ไม่ก็แบบอาจจะแบบเออโยมไปรถอีกคันนึงแล้วก็รถตู้ที่เขาจะไป ที่นิมนต์ท่านสัญพักไปอแค่นั้นไม่ขบวนใหญ่แล้วนะแล้วพอดีเอองลองผู้ว่าคนที่ชลบุรีแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแกโยมะ่ะตอนนี้ก็ได้ไปเป็นผั้ว่าบึงการเขาก็อยากจะช่วยไปเพราะว่าใครๆก็อยากไปภูท่อดทั้งนี้ไปมาหลายหนแล้วนะคะก็ดีจะไปไม่เสียหายเลย เป็นบุญแต่ว่าถ้าตั้งศาสนาจะไปยมจะได้เรียนทั่วให้อเม่นนี้ไม่เคยมีความคิดอยู่ในใจเจผมกับเพื่อนมาจากพัทยาครับอดีได้ยินชื่อเสียงครูบาอาจารย์มานานแล้วแต่ว่ายังไม่โอกาสได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมนะครับก็อยากจะ กับฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับมาภาวนาตัวกับอาจารย์สุชาติเป็นลูกศิษย์ครับแล้วสิ่งใดที่อาจารย์สุชาติอปรารถนาถ้าผมพอทําให้ได้ก็ขออาจารย์ได้บอกกล่าวกับผมได้ครับครัที่คนนี้ก็เป็นช่างกุญแจครับอยู่ที่วัทยาผมก็รับจ้างอยู่ที่วัทยาก็มาภาวนาฝาบตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับได้ครับถ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ก็ต้องปฏิบัตินะ ถ้อศีลทำบุญสาบาตรรักษาศีลห้าเปิดนั่งสมาธิผมกับเพื่อนก็อยู่ที่พัทยาก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดโพสัมพันธ์พระอาจารย์บัญยาคทำแล้วก็มีโอกาสได้ไปทําบุญทุกวันพระที่พระวัดป่าหลวงพ่อโบเกต์นะครับก็ทําบุญก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่นอยู่ทันยุชนุไอ่าใช่ครับก็ทําบุญอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากาบอาจารย์ครั้งแรกก็อยากจะการเปลียนลูกศิษย์ด้วยครับ มีเวลาก็วันพ้าก็ลองไปนอนที่วัดที่วัดป่านั้นก็ได้อยู่ใกล้ๆในค้างคืนถ้าคืนก็เป็นลูกศิษยที่นั่นอยู่แล้วนะควางหนังสือไปนะวางใจได้เลยนะหลวงพ่อโอเกใชดเขาเพิ่งกลับครับกลับไปแล้วเลยวันงานวันที่ยี่สิบสี่นะคะถอยเช่าใช่แล้วได้ขาวว่าวันที่ยี่ส้ากับโยวก็เลยไม่ได้เข้าไปกลับท่านอ มันก็ไม่เคยไปกาบท่านเแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมาไม่สักอาทิตย์นายโยมฝันเลยว่าไปกราบท้าแล้วท่านจะสอนธรรมะโยออแล้วคำสุดท้ายท่านก็บอกคุยเคี่ยวเขาคุยเคี่ยวเขาอาจจะเป็นแบบว่าให้โยูมาทางธรรมะเยอะๆให้ปฏิบัติทําบุญมากคพอแล้วอู้ส่าทิ้งโยมยังไม่มากเลยให้ทําให้ปฏิบัติได้แล้วแต่ก็ จะแผ่ไม่ตายแม่นกแก้วตลอดด้วยนะเพราะเขาก็มีบิณฑ์มากนะแต่นนว่าบางครั้งแบบว่าถึงโยมจะเคยช่วยช่วยคนมาเมาางานะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องมีคนเข้ามาแบบมามาให้เราช่วยอีกแต่ตอนนี้จะต้องพิจารณาแล้ว้าช่วยไปตามกํากลังช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธไป ที่ด้ว่างั้นดีกว่าแต่ก่อนไม่เคยปฏิเสธเนี่ยมันก็เลยก็เลยลําบากมันไม่ใช่ลำบากเรื่องเงินนะฮะมันมันเป็นความทิ้งใหญ่ที่ทําให้เราต้องคือแต่หลังเพื่อนอนะ่ะเขาจะบอกว่าหยุดหยุดหยุดสักที ใ, ในการที่คิดว่าช่วยคนแล้วแบบมันพราวออกมาใช่ไหมมันไม่ดีเลยเรื่องเขาบอกเขาบอกอยู่เฉยดีกว่าบางที ค, คนมาขอเนี่ยนะฮะมาขอร้องโยก็ทําได้หมดเนี่ย แบบขนาดอะไรอ่ะเพื่อนเขาบอกเนี่ยฝรั่งคนนี้อยู่ไทยอขาจะตกงานแล้วนะโยมก็โทรไปหาเลขายใหญ่มันเป็นเรื่องที่แบบมันทําได้นะฮะเลขาใหญ่บอกมัเป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการส่งอีดีโอไปให้นายที่ดันลาสให้ฝรั่งก็ได้งานไปแล้วเพื่อนก็ถามแโยมได้แล้วแบบโยมไม่รู้จักเขาฝรั่งคนนี้แต่เขาโทรมาแตงนเก๊หูก็แค่นั้นเองก็ดีเราก็ได้ความสุขใจเราได้บุญ แต่พึ่งเขาบอกไปช่วยแล้วทไมก็ช่วยช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องช่วยกันใช่ใช่เขาบอกเนี่ยเขามีเงินเดือนตั้งหลายแสน อ, อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกรช่งเขาไปเลยเราไม่ได้มีความสามารถถ้าเรามีความสามารถเราช่วยได้ก็ช่วยไปก็ดีเราก็จะได้บุญบอกช่วยเอาบุญบอกว่าไม่ต้องการอะไรก็แบบแต่ก่อนนี้บริษัทรัวแบบเขาส่งแขกส่งอะไมาที่บ้านใช่ไหมคะ ยมว่าแผมเมตตาจนทุกวันนี้นะเจ้าของบรยษัทอะไรพวกเนี้ยหรือพวกไกดเนี้นนนยย้งไมถึงได้ย้งก็แผ่เมตตาเขาก็มาช่วยเราก็เหมือนให้เรามีกินนอ่ะอ ะ, อะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรธรรมดาค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเ่ดูมีอะไรกว่ามันจะนั่ง<ๆ>อย่างอย่างนั้นก็คืที่เขาถามว่าแบบที่บอกว่าธรรมะที่เห็นกันดิแตกแล้วก็ มันก็เป็นนิมิตอย่างนมิตอย่ตรงที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องใช้ตรงเนี้ยมาสอนใจเราไงามาเตือนใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นอย่างนิมิต ท, ที่เราต้องใช้ตลอดเวลานั่นคือการที่กาเรียนรู้ปัญญาภาวนาวยญปัญญาอะไรมันทุกอย่างมันเป็นแค่แผ่นดินดินน้ำลนไฟเราไปหลงติดอยู่กับสมมติ ร่างกายนี้มันก็แค่ดินน้ำลมไฟแต่เราไปเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเดี๋ยวมันก็เมื่อเช้านี้ก็มีคนเอารูปมาถ่ายหดูว่าพี่ชายตายไปเผาแล้วก็เหลือแค่นี้เยเหลือเศษกระดูกอยู่ไม่กี่ชิ้นนี่แหละนี่คนเราก็เหลือแค่นั้นเนี่ยธาตุดินก็เหลือแค่นี้ธาตุน้ําส่วนใหญ่ร่างกายเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็ น, น, นันเป็นธานตุน้ํำเวลาเผามันก็ระเหยหายไปหมด หรือถ้าดินก็แค่เนี่ยนิดเดียวแล้วก็ไปรอยอ่างขานถ่ายรูปมาให้ดูแต่ใจยังไปติดกับร่างกายอยู่ยังติดกับร่างกายของเขาอยู่ยังคิดถึงร่างกายของเขาอยู่แล้วก็ทำให้ใจหดหูเหมือนเนี้ยสูญเสียอะไรไปขาดอะไรไปเพราะไปติดกับรูปเนี่ยติดกับรูปร่างกายสรีละไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาคอยเตือนว่ามันแค่เป็นแค่ดินน้ำลมไฟ ถึงจะให้ปยายามให้เจริญธาตุสี่ได้เลยอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลร่างกายนี้เป็นดินน้ําลมไฟผู้ที่มาครอบครองนั่นแหละเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเนี่ยใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราเราสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ใจเรานี่เราไม่ตายตายแต่ร่างกายของเราร่างกายเป็นดินน้ําลมไฟเราคอยยืมมาใช้ชั่วคราว มันสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปเขินไปเราก็ไปตามบุญตามบาป ท, ที่เราทําถ้าบุญสูงสวยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนิพพานถ้ายังไม่ถึงจุดสูงสุดก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปจนกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดคือจุดที่ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากนี่ให้ ้าไม่มีก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้าลมไฟจะได้ไม่ไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้ต้องเห็นว่ามันเดี๋ยวมันต้องกลับคืนสู่ดินน้ำมนลมไุาาอย่างครูอาจารย์เนี่ยที่พูดอ่ะกับที่เรียอา่านของครูบาอาจารย์ที่ที่บอกว่าจรนกาจนแกแยกอกเป็ทีนี้ครูบาอาจารย์พูดถึงน่นั่นจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ มันก็มิยิมันก็คล้ายๆกันแต่ความตางกันเป็นตอย่างไางอยางที่กิเลสตันหาตายมันไม่ตายไงถ้ากิเลสตายมันก็บรรลุถ้ายังไม่ตายก็ยังไม่บรรลุ่วอไรกอ่าก็ชั่วขณะจไม่ธรรนดาจิละมันตลอดเวลาเลยแหละพอมันตัดได้แล้วมันก็ต้องตัดตลอดเวลามันถึงเรียกสมุทเฉดแล้วจะตัดได้สองวันกลับคืนมาใหม่มันก็ไม่มันก็ เวลามันตัดมันก็ตัดแค่ช่วงขนาดนั้นแหละมันตัดช่วบที่นี่เพียงแต่ดูว่ามันจะฟื้นหรือเปล่าก็อย่าประมาทเนี่ยรู้ว่าตัดมันได้แล้วถ้ามันโผล่ขึ้นมามาแย่เราเองก็ตัดมันไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปตอบสนองตามความอยากมันถ้าไปตอบสนองมันแสดงว่าอ่ายังยังไม่ขาดนั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราตัดตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันมันจะตายแล้วมันไม่มาแล้ว ถ้ามันกลับมาเอก็ต้องให้มาทําไมคุณคิดว่าตัดมึงได้แล้วไม่ใช่เหรอกระจายไหมบางคนคิดว่าตัดหนเดียวได้แล้วต่อไปจะตัดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ตัดบาคนคนคนเล้าคนไม่อยู่บ้านกินเหล้าได้สามเดือนก็กลับไปดื่มเหมือนเดิมแล้วกูจะเลิกเมื่อไหร่กูก็เลิกได้มันก็หลอกตัวเองอ่ะเมื่อสครูน นั่นแหะดูจะทำหรือเปล่าทำได้ก็ต้องทําไปได้เรื่อยทํำไปทุกวันมันถึงจะทําจริงทําทําได้จริงถ้าทําทําแล้วกลับมาไม่ทํามันก็ทําแบบมันก็ยังทําไม่ได้จริงอย่างจริงๆจริงอ่าเปนธรรมชาติไปเลยอ่าเมื่อกี้นี้คำพูดที่เขาพูดอะเหมือนกับรักษาศี์ด้วยจิตโอ้ อ่าก็เรื่องของเขาแล้วไปอะไรทำไมบางทีเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะไปว่าอะไรก็เขาคงไม่เขาคงไม่มาหลอกพระหรอกเขาก็ไม่ได้เลยจากการหลอกเราเขาก็พูดจากใจจริงของเขาอะคือเขาเข้าใจนะว่าศีลมันเขาเรารู้ว่าศีลมันอยู่ที่ใจอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่กายวาจากายวาจาเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งจากใจเมื่อเข้าๆถึงตัวใจแล้วเขาก็รู้ว่ามันอยู่ที่ใจถ้าถึงพูดถูกไห เราไปไม่ถึงเราไปหมั่นไช่เขาเองอะไรวะเราเยังติดอยู่ที่ศีลต้องต้องสมาทานศีลห้าอยู่แล้วอย่างขวัญตกยุงอยู่ด้วยกันทำผมความสุขทางใจทำให้เราว่างเปล่าแต่งานก็ทำเป็นคนแนะนำลูกค้าให้เขาสัมภาษอาจารย์นี้เหมือนกัน ทุกต้องให้เหลือกับงานขอบคุณไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีที่สุดเอ ย, ออยดูอาการของคนน้นเพราะว่าที่ขลงพ่อเทศในเใจสูงมากทุกอย่างคือความเป็นจริงของธราติก็เลยว่าหนูสงสัยว่าหนูแนะนำเขาไปอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูก ถูกเพิงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เชื่อน้ํายาเราเพราะว่าเรามันไม่ได้โกนหัวเรายังแต่งผมยังแต่งหน้าอยู่อก็เลยบอกว่ามันเหมือนแม่ปู่สอนหนูกปู่อ่ะก็สอนได้แต่เขาคงจะไม่เชื่อเรานนแต่ถ้าหนูโกนหัวแล้วนุ่งขาวห่มขาแล้วแล้วหนูไปทําผมเนี่ยเขาอาจจะเชื่อกัน็ไรด้ ได่เพียแต่ว่าเขาเขาเขาไม่เชื่อน้ำยาเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทํามันไม่เหมือนกันค่ะยังไม่เหมือนกันแล้วแล้อย่างที่จริงๆเรื่องแบบอย่างพระอาจารย์โบเกตอนะไรเนี้ยโยมก็ไม่ค่อยจะกล้าเล่าให้ใครฟัง <c oughs> อย่างมันเป็นจิตจักที่เรอยอยาเรียกยังไงใช่ไหะก็เป็นเรื่องของตัวเราอ่ะเปนเรื่องของจิตของธรรมของเราที่มันปรากฏให้เรารับรู้ตัวท่านอยางนั้นท่านอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยขนได้เพรงั้น เรื่องภายในใจนี้ถ้าไม่คนไม่สนิทไม่รักกันไม่รู้จักรู้ใจกันก็อย่าไปพูด่เดี๋ยวมันก็จะมองว่าเราแอบอ้างหรือโอ้อวดหรืออะไรไปมากกว่าแต่ก็คิดว่าท่านท่านคงก็คิดว่าเราคงมีจิตที่ดีถึงได้ถึท่าน โยก็คิแค่นี้แต่ก็ไม่ได้ไปบอกท่านนะไม่ต้องบอกละบอกท่านท่านก็บอกดีออคิดถึงพระนะดีดีกว่าคิดถึงเล่าอุณพระหนูคนจะแนะนำลูกค้าต่อไหมคหน่อต้องดูคนเนี่ยว่าเขาสนใจหรือเปล่าถ้าเขาไม่สนใจก็เหมือนขายสินค้าเนี่ยเราดูว่าเขาอยากจะซื้อสินค้าเราหรือเปล่า ถ้าสนใจก็ก็แนะนำนเขาได้ไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามันต้องดูประโยชน์ที่จะได้รับจากการแนะนําว่าขายแล้วเขาจะซื้อหรือเปล่าถ้าขายแล้วไม่ซื้อก็เหนื่อยไปกว่าเปล่าก็อย่าอย่า อ, อย่าไปขายเลือกคนขายเลือกคนซื้อไงต้องดูลูกค้าอย่างเราขายของเนี่ยคนเดินไปเดินมาแล้วก็ดูทั้งเกตถ้าก็จอดยืนดูแล้วนู่นจีบนู่นหยิบ น, นี่แล้วก็เออมันสนใจแล้ว <laughs> โฆษณาให้มันได้แต่ัั้นดีอย่างนั้นดีแต่ทีเดินมาผ่านไปแล้วไปเรียกเขาเงียบไปเรียกเขามาค่ะพาเข้ามาทผมมันใช้เวลานานมามาบ่นเรื่องราวทุกใจอะไรเงี้ยอ่อนยาาเลยค่ะก็พูดัอาจารย์สอนทีเขาจะรับไม่รับเ้เรื่องนึงถ้าเขาไม่รับเฟร้หยุดพูดได้ใช่ได้หงงพ่อบอกว่าครูสอนอ่าแต่ว่ามันจะได้ผลเรื่องปากนั้นค่ะแต่พูดนมีความสุขอาเลยไป การให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นความสุขเนียธรรมทานก็ดีไม่แน่มันเหมือนจับปลาตกปลาดีไม่ดีก็อาจจะปลามันก็จะติดเบ็ดมาก็ได้คิดว่าเขาเป็นทุกข์กับทางโลกในลองฟังใช่ถ้าเขาเขาติดใจเขาอาจจะแก้ทุกข์ของเขาได้ได้เพียงแต่เราอย่าไปเสียใจถ้าเกิดเขาไม่ติดเบ็ดเราก็แล้วกันแต่เขามองโลก อ่าก็อย่าไปเสียใจเขาไม่เข้าใจเราถึงแม้เราจะแต่งกันนะอาจจะเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเองแต่ใจเราอาจจะไม่มีความยินดีกับมันก็ได้ใช่ไหมตอนนี้คดีจ้างที่ผููดกันถึงเรื่องอังคารในวันนี้ใช่ไหมฮะมาถึงกระดูกอะไรตอนนี้พ่อโยมอ่ะสิ้นวันปีสามเจ็ดแล้วนะฮะตอนนี้น้องชายอ่ะน้องชายคนเดียวแล้วก็แม่โยมอะ เขาต้รวบไว้ห่อใหญ่แล้วก็ตั้งโซกูชาออละโยมก็บอกให้ไปลองคานไม่เป็นไรหลับอยู่ที่ไหนก็ได้รอยก็ได้ไม่รอยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจแต่พ่อไม่เคยมารบลวนบอกเอไม่เป็นไรมันเป็นธาตุทั้งนี้เป็นดินน้ํานมไฟเป็นธาตุดินแล้วพอดีมันมีเรื่องติดขัดอยู่ตอนนั้นพ่อเขาเก็บอธิคงก็แต่ละอันน่ยแต่ละองค์นะฮะใหญ่มากเลยติ่งเต็กตาใสนะ ตัวนี้มันเป็นเหตุที่เรียกว่าพ่อเสียอะไรเนี่ยพ่อเกี่ยวเรื่นตู้ตของเขาแล้วแม่โยงก็คงไม่ได้สนใจอะไรเล้และตัวโยงแต่ว่าบางครั้งมันก็ละเลยอ่ะตอนนี้ก็หายไปยังไงก็คนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรไว่าเป็นอนิจจังก็แล้วกันอเป็นไปตามธรรมดาของโลกมีเกิดมีดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีเจตนาไปทําอะไรกับท่านไ ม, ไม่มีปันหาเลย โยมก็สบายใจแต่ก็ระลึกถึงท่านทุกคืนเลยนะตอนนี้สำคัญกว่าระลึกได้สำคัญกว่าระลึกหลายอคมากเลยตามสายอาจาน์เราระลึกถึงพระเราจะได้กลัวบาปไม่กล้าทำบาปโยมไม่ชอบทำอยู่แล้วใช่มโอเคนะแค่นี้ก่อนขอให้ท่านมีความสุขแล้วเจริญังาวามาน